นโบตัสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมบุตตสะนาโบตัสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมบุตตสะนโบตัสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมบุตัสะพันดานังจับลังจิตัง ดุรักขังดุนิวารนังจิตตสัตมัสโสาธุจิตตังดันตังสุขาวหันตี่นั่งตามสบายหนักลำดับต่อไปนี้ก็จะได้ฟัง และปฏิบัติธรรมไปดำลำดับเช้าวันนี้ก็จะพูดเรื่องแรงใจในความหมายที่ว่าแรงใจกับการปฏิบัติธรรม เพราะว่าเรามาอยู่นี่วันนี้หนึ่งวันมันเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนกับอยู่บ้านเป็นชีวิตที่มีกรอบเป็นชีวิตที่มีกฎระเ บ, บียบเป็นชีวิตที่จะต้องจัดการในอีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวเหมือนเด็กพึ่งคลอดเด็กพึ่งเกิด คือยังไม่มีอดีตทําตัวเหมือนไม่มีอนาคตต้องหัดทําตัวให้เหมือนไม่มีอดีตหัดทาตัวให้เหมือนไม่มีอนาคตก็เหมือนเด็กเพิ่งแรกเกิดของวันนี้ตั้งแต่เก้าโมงนี้ไปจนถึงสี่โมงเย็นหรือว่า เราจะต้องตัดชีวิตของเราออกไปเลยจากนาทีนี้ไปจนถึงเวลาที่อาจารย์ปิดการบรรยายแล้วเราเค่อยออกไปสู่โลกของเราอีกทีหนึ่งการที่จะทำให้ใจเรา สามารถที่จะยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ได้ในรูปแบบแบบนี้ได้มันจะต้องอาศัยแรงใจแต่แรงใจน้อยหรือแรงใจมันเบาในขณะที่นั่งฟังเนี่ยได้ยินเสียงแล้แต่ใจมันก็ยังไปอยู่ที่บ้านยังไปอยู่ที่งานยังไม่อยู่ที่ โน่นนีนะ่นั่นกลังของเรนั้คือแรงใจมันน้อยแต่ถ้าเรามีแก่ใจมีแรงใจจริงๆเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องข้างนอกจัดการตัดทิ้งมันไปเอาเฉพาะที่รู้อยู่กันในขณะที่เป็นปัจจุบันขณะที่เป็นปัจจุบันนี่ก็นี่แหละ ที่มีร่างกายตั้งอยู่มีลมหายใจเข้าออกอยู่มีความรู้สึกเกาะ อ, อยู่ณนะตรงนี้ให้มีแรงใจประคองอยู่เฉพาะตรงนี้แล้วมันจะเป็นความเกื้อกูลต่อความปฏิบัติอย่างมาก <c oughs> ถ้าเราไม่มีอย่างนี้หรือไม่ได้คุยทําความเข้าใจกันแบบนี้เราก็อาจจะแบบ ปฏิบัติพ่อเพื่อความสบายสบายอยู่ไปตามสบายสบายแล้วให้โลกข้างโลกอดีตมันกินเราไปโลกอนาคตมันกินเราไปให้โลกข้างนอกมันกินเราไปแล้วเราก็อยู่อย่างเนี้ยก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งครบสี่โมงเย็นเลิอกออกไปมันก็จะได้น้อยมากมันจะได้น้อยมากอันเราจะต้องมีแรงใจมีแรงใจที่จะตัดอดีตไม่ใส่ใจ และถ้ามีแรงใจแบบนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรกับการปฏิบัติของเราบอกได้เลยว่ามากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้แรงใจทําแบบนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์มากพระพุทธเจ้ายกเรื่องชนบทกาลยาณีสุพดพระเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายมีนางชนบทกรลยาณีผู้หนึ่งยอมตั้งใจฟังนะมีแรงใจที่จะตั้งใจฟังและระลึกตามแล้วก็อย่าหันไปคุยกับใครในระหว่างที่ธรามเทศให้แรงใจนั้นนะคอยตั้งใจฟังและระลึกตามเนื้อหาสาระที่พูดแล้วนองไปประกอบดูว่าเออมันตรงกับแรงใจตรงไหน พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนนางชนระบดกัญยาณีผู้สวยงามกาว่าชนระบดกัญญาณีผู้สวยงามหมายความว่าไอ้สวยนี่มันสวยจริงๆเลสวยมากอ่ะมันสวยไปหมดสวยไปพอมีความเชี่ยวชาญเรื่องฟ้อนรําขับร้องเพราะฉะนั้นเธอปรากฏตัวตรงไหน แปบเดียวจะดึงคลื่นมาหาชนหลังไหลเข้ามาห้อมล้อมเพื่อชมการสแสดงของเธอในขณะนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจฟังเราก็จะตามเรื่องไม่ทันนะตั้งใจฟังให้ดีๆใช้แรงใจในการฟังในขณะนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ที่รักสวยรักงามรักการมีชีวิตเป็นบุคคลที่มีโลกสวยและ เป็นคนที่ไม่อยากตายและก็กลัวตายเดินมามุ่งเพื่อที่จะชมเธอในระหว่างที่เขากำลังเดินมานั้นมีบุรุษร่างกำยาผู้หนึ่งมายืนอยู่ข้างๆเขาชายผู้นี้ส่งหม้อที่ใส่น้ำมันจนเต็มปิ่มให้กับบุรุษผู้รักสวยรักงามผู้นี้ บุรุษผู้รักสวยรักงามผู้นี้รับหม้อที่เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ํามันนั้นและบุรุษร่างกํายำเงื้อดาบขึ้นและบอกกับชายหนุ่มผู้นั้นว่าเจ้าจงถือหม้อน้ํามันที่เต็มเปี่ยมนี้เดินไปท่ามกลางฝูงชนผ่านนางชนนมดกระยาณีที่กําลังฝนรําแสดงอยู่ถ้าเจ้าทําน้ํามันหกแม้แต่หยุดเดียว เราจะบันคอเจ้าทันทีแล้วชายหนุ่มผู้นั้นก็เดินไปอันนี้พระเจ้าว่าความหมายพระเจ้าเลยถามว่าตัอสำคัญความข้อนั้นอย่างไรมันเหมือนการปฏิบัติของเราไอ้โลกข้างนอก โลกข้างนอกก็คือ น, น, น, าานั่งชนนบดกัลยาณีฝูงชนที่มาหล่อล้อม ล, อลูร้อนรากับร้องใช่ไหมนี่โลกข้างนอกแต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะมาปฏิบัติเมื่อถึงเวลาที่เราจะมาปฏิบัติเราจะต้องมีแรงใจในขณะไหนในขณะที่เหมือนเจ้าหนุ่มคนนั้นไอหนุ่มที่มันรักสวยรักงามเนี่ย รักชีวิตไม่อยากตายพอไปเจอนางชนนบทตรกัญญาณีที่มันสวยๆร้อนรำควาพระบ่งแสดงเก่งมันก็ต้องตรงปรีเข้าไปเพื่อชมการสแสดงด้วยใจที่หมกมุ่นใช่ไหมแต่ในบัดนี้ถือหม้อน้ํามันอยู่หม้อน้ําหม้อที่มีน้ํามันอยู่เต็มหม้อดินที่มีน้ํามันอยู่เต็มเพีย้ยแล้วถือแล้วมีชายร่างกํายําเงื้อดาบอยู่ข้างหลัง บอกว่าถ้าเจ้าทำน้ำมันหกแมตแต่หยุดเดียวเราจะบันคอเจ้าทันทีชายคนนี้เขาทำยังไงเขาไม่มีแล้วไม่มีแล้วฝูงคนที่กำลังมาดูนางชนนบทกลยานีนี่ไม่มีแรงกระตุ้นพอที่จะทำให้เขาใส่ใจนางชนนบทกลยานีที่สวยสงา่างามมากน่ารักมากเก่งทั้งร้องทั้งรำทั้งฟ้อนเนี่ยและกาลังแสดงอยู่ขณะนี้ ก็ไม่มีกำลังพอที่จะทำให้เขาใส่ใจเขาจะใส่ใจกับอะไรจับหม้อดินแล้วก็หม้อน้ำมันนี้แล้วค่อยๆเดินไปช้า ๆ, ๆๆเพื่อไม่ให้น้ำมันหกออกจากหม้อดิดขาดแรงใจของเขาตอนนั้นเป็นอย่างไรผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะต้องการให้ได้ผลต่อการปฏิบัติจะต้องมีแรงใจแบบนี้ ต้องมีแรงใจแบบนี้และชายหนุ่มคนนั้นก็เดินถึงเขาก็ประคองประคองประคองประคองประคองประคองประคองพระมหากัจยานะเถระผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการขยายความพระมหากัจยนะเทระท่านว่า จักขุมัสสะยัตธาอันโทโซตวะพระทิโรยัตธาปัญญาวสัสะยัตธามูโคเนี่ยมอมัสระโอสระโ อ, อคอไฟเนี่ยปัญญาวสัสะยัตธามูโคพละวาทุบะโลริวะอ้าวความหมายนี่พระมหากาจยะ น, นะ ขยายความตรงนี้ว่าจักขุมัสะยาธาอันโทหมายว่าคนมีปัญญามีตาก็ทําเป็นเหมือนบอดนี่คนมีปัญญานะมีตาก็ต้องทําเป็นเหมือนบอดโซตวาพระิโรยาธามีหูได้ยินก็ทําเป็นเหมือนหนวก ปัญญาวาสญาธามมโคมีปัญญาแต่ทำเป็นเหมือนบ้าบ้าบ้าบ้ายุพโลบาลาวาทุพโรริวะมีกําลังดีแต่ทำเป็นเหมือนอาาทนอนุระผลอืมนี่ในการปฏิบัติต้องอย่างนี้ อ้าจักขุมสะะัสายาธาอันโทมีตาแต่ทําเป็นเหมือนบอดหมายความว่าไงในระหว่างที่นั่งปฏิบัติอยู่เนี่ยเอาเราเร า, เราจะไม่เอาเรื่องข้างนอกแล้วนะเอาเฉพาะเรื่องการภาวนาเรื่องการปฏิบัติในระหว่างที่นั่งปฏิบัติอยู่เห็นอะไรไม่ใส่ใจอ่าถ้าเรามีลมหายใจเป็นอารมณ์ จิตแรงใจที่ใส่ใจต่อลมหายใจของตัวถ้ามันเห็นอะไรมันก็จะไม่ใส่ใจเห็นทำเป็นเหมือนบอดเข้าใจไหมเอาโซตวาวาพระทิโรยาทาได้ยินก็ทาเป็นเหมือนหนวกก็คือในระหว่างที่อยู่กับอารมณ์อันเป็นกรรมฐานก็ได้ยินอะไรไม่ใส่ใจให้ทำเป็นเหมือน ไม่ได้ยินจิตไม่มีแรงใจที่จะไปใส่ใจเพราะแรงใจของจิตยอยู่ที่อารมณ์อันเป็นตัวกรรมฐานของเราปัญญาวา่าไอ้ปัญญาวาสะยทธาโมโคมีปัญญาก็ทำเป็นเหมือนใบ้อ้เหมือน <c oughs> เหมือนใบหมายความว่าไงในระหว่งางเงี้ยเนี่ยมีคนเ็าถาม มีคนก็ถามอย่างนั้นเกิดความรู้สึกสงสัยอย่างนั้นเกิดความรู้สึกสงสัยอย่างนี้มันจะถามอย่างนั้นทานี้ก็ทำเป็นโง่เนี่ททำเป็นไม่ตอบถ้าเอาปัญญาที่ตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดถามอยู่นั่นนะอวดอยู่นั่นนะมันจะได้ไหมฮะเพราะฉะนั้น มีปัญญาอย่างอาจารย์พูดเนี่ยอาตมากรังเทพพูดอยู่นี่เรื่องที่พูดบางทีเรารู้แล้วก็จะอวดฉลาดขึ้นมาก็ทําเป็นโง่ใช่ไหมเนี่ยปัญญาวาสอยะท่ามูโคลทำเป็นทำเป็นบ้าใช่มไหมอย่าไปรู้มันจะทุกเรื่องจิตมันจะแตกสั้นและจะฟุ้งสั้นทุพโล บะละวาวะทุบวโรริวะวุ่นอยู่กับการที่จะโชว์กำลังกายของตนก็ทำเป็นไม่มีกำลังใ้่ไห ง, งนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าประคับประคองเดินช้าช้าทำชาช้าทำด้วยความตั้งใจอย่างรู้ลมหายใจแรงใจที่จะใส่ไปที่ลมหายใจของตนนั้นใส่ใจอย่างแรงแต่ก็ช้าช้าถ้าเดินก็เหมือนกัน นึกภาพคนที่เดินประคองหม้อดินมันจะเดินเร็วได้ไหมล่ะเดินเร็วมันก็หกเดินไปได้จิตมันสั่นใสไปดูขงชนที่กําลังชมนางชนน้ำเบิดกระยานีเป็นไงหยดน้ํามันที่อยู่ในหม้อก็จะหกใช่ไหมมแต่ไปยืนก็ร้องรำฝาบร้องน้ํามันที่อยู่ในหม้อมันก็จะหกเพราะฉะนั้นต้องประคองหม้อน้ำมันนั้นด้วยแรงใจอย่างมากไม่ใส่ยาอื่นเลย แล้วค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปราะในการทําภาวนาต้องมีแรงใจอย่างนั้น่ะอโดยเฉพาะวันนี้อะเข้าใจปะ่ะเราจะต้องมีแรงใจแบบเนี้เพราวันนี้จึงไม่พูดเรื่องอื่นอนะ่ะพูดแต่เรื่องแรงใจแรงใจที่เหมือนกับคนถือไอ้นี่แหละมอญ อย่างนี้ถ้าเราถ้าเรามีแรงใจแบบนี้นะเราจะจับอะไรอยู่จะจับใจเราอยู่จะจับใจของเราอยู่เราจะจับจิตของเราได้ท่านวลิยะวลิยะเถระเป็นพระเถระที่ แต่ก่อนจะเป็นหนุ่มเจ้าสําราญเป็นหนุ่มเจ้าสําราญท่องเที่ยวไปที่ไหนมีมโหรสศพก็ไปเขาเรียกว่าหนุ่มเจ้าสําราญน่ะของสมัยนี้นั่นแหละแล้วมีเงินมีฐานะหลังจากนั้นก็เบื่อเข้ามาบวชเอาไม่อยู่ฝึกจิตเอาจิตไม่อยู่รู้มาก เราว่าสนิทสนมนี่สนทนากับคนน้นสนทนาก็ น, นี้ความรู้นี่อยู่รู้เยอะพูดอะไรไปก็รู้หมดอะแต่ว่าเอาจิตตัวเองไม่อยู่พอวันที่แกเอาจิตแกอยู่เนี่ยแกรู้เลยว่ามันต้องใส่แรงใจเข้าไปยังไงแกดึงท่านจะกล่าวว่างี้มัคคตโตทา่านยัฟังให้ดีนะมัคกตโต ปัญจดวารายังกุติกายังปัสสกียะไม่เคยยินหรอกทวารีนะทวารีนะเดี๋ยวแปลข้างบนก่อนมักกะโต ว, ว่าดูก่อนเจ้าวานอนเจ้าวานอนอยู่ในกระท่อมที่มีประตูอยู่ห้าบาน ดาวาเรนะอะนุปริเยเสติวิ่งเที่ยวไปอยู่ตามประตูคือพยายามที่จะออกทางช่องประตูห้าบานเนี้ยจะออกบานนี้มั่งจะออกบานนี้มั่งจะออกบานนี้มั่งคัตตะยันตโตหมูหุ้งหมูหุ้งพยายามที่จะวิ่งจงเตียงตามประตูบานทั้งห้าบานเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในกระท่อม ติดตะมั ก, กะตะมาทาวิเจ้าวานอนเหนยจงอย่าวิ่งอีกเลยนะหิตังเตดูเอะดูเรไ อ, อปูเรย่าท่ามายว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสวิ่งเล่นเล่ น, ลนออกไปเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้ว นิคหิโตสิปัญญยะเพราะเราจับเจ้าได้ด้วยปัญญาของเราเนวะดูเรเนวะดูเรคามิสสิเจ้าอย่าคิดที่จะเล่นออกไปเหมือนแต่ก่อนอีกเลยนี่ท่านวริยะนี่นี่หมายความว่าไงนี่ เข้าใจตามเรื่องเราไหมนี่ท่านพนนานะท่านรำพึงของท่านเองนะคือเมื่อจับจิตอยู่จิตเปรียบเหมือนกับเจ้าลิงป่าเจ้าวานอนที่อยู่ในห้องคือกระท่อมกระท่อมมีประตูอยู่ห้าบานปัดใสมันเสร็จแล้วจับปินไ้แล้วไปประตูทั้งห้าเลยมันพยายามที่จะออกประตูนี้ ก็ไม่ได้ออกประตูนี้ก็ไม่ได้ออกประตูนี้ก็ไม่ได้ออกประตูนี้ก็ไม่ได้ออกประตูนี้ก็ไม่ได้ออกประตูนี้ก็ไม่ได้ในที่สุดมันก็ต้องหยุดสงบนิ่งอยู่ในกระท่อมนั้นเราเหมือนกัน <section> ในการที่จะฝึกจิตในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยแต่จะว่ามีจะมีประโยชน์มากจะมีคุณภาพมากกับการที่จะฝึกฝนเขาเพราะตอนนี้ไอ้เจ้าลิงน้อยมันอยู่ที่ไหน จเจ้าลิงน้อยอยู่ที่ไหนเข้าอยู่ในกระทอ อ, อ, ท อ, อลิงโยมาอยู่ที่ไหนจิตอยู่ในกายอยู่ในกายอยู่ในกายเขอไม่คิวจิตไอ้ไอ้ลิงอยู่ที่ไหนลิงในตัวนี้หมายถึงอะไรจิตอยู่ที่ไหนอยู่ในกายนี้กายนี้มีประตูอยู่ห้าประตูคือ หนึ่งตอบให้มันถูกถ้าตอบอ่ะหนึ่งอโอ้ไอคนหนึ่งตอบตาคนหนึ่งตอบหูคนหนึ่งตอบจมูกเกือบครบเลยฮะไม่ใช่ตาหูจมู ก, ก็ถูกแล้วภ <c oughs> าษาทั้งห้าคือตาหูจมูกร้นกายที่ไอเจ้าลิงคือใจมันไปอาศัยอยู่ เราจะต้องมีแรงใจของเราในการฟังเรื่องเราเชานี้นะแล้วใส่ลงไปที่ตัวของตัวเองเรื่องที่พูดไม่ได้พูดออกนอกไหนเลยพูดอยู่ในเรื่องของเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เพรา ะ, ะนั้นเวลาจะคิดเวลาจะตอบเวลาจะทำความเข้าใจให้คิดและทำความเข้าใจอยู่ในตัวของตัวเองเข้าใจไหมเออมันจะได้ประโยชน์มากลิงตัวนี้ก็คือใจของเราประตูห้าประตูคือตาหูจมูกลิ้นกาย ตาเป็นประตูตรงไหนเป็นที่จะขู่ประสาทที่จะสัมผัสกับ ร, รูปหรือสีไอ้เจลิงคือจิตมันก็จะวิ่งไปดูแล้วก็จะไปปรุงปรุงปุงุ ป, งปงุถึงตอนนี้ท่านวัลลียะท่านบอกว่าเราปิดประตูขังเจ้าไว้เพราะตาที่เห็นรูปเจ้าลิงหรือจิตมันจะไปปรุงโดยตามปกติ แต่แรงใจที่เราจะใช้ในวันนี้เราจะไม่ปรุงมันรูปที่ตาเห็นมันก็แค่สักว่ารปูปเสียงที่หูได้ยินมันก็แค่สักว่าเสียงความคิดที่เกิดผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอดีตรหรืออนาคตที่เกิดผุดขึ้นมาที่จิตมันก็แค่สักว่าความคิดที่เกิดขึ้น ทุกอย่างที่เป็นสภาวะทั้งหลายแหล่เกิดขึ้ น, นเราต้องใช้แรงใจของเราให้มีกำลังมากถึงขนาดนี้ถึงจะเอาเขา อ, อยู่เหมือนกับที่ท่านวันริยะท่านเอาอยู่อย่างนี้แล้วเอาอยู่แน่การปฏิบัติมันจึงไม่ใช่แค่การมานั่งบนอาสนะที่นี่การปฏิบัติของการเข้าการฝึกฝนปฏิบัติเนี่ย มันคือเหมือนกับไอคนที่ถือหม้อน้ํามันใช่ไหมการปฏิบัติการถือหม้อน้ํามันนั้นมันตั้งแต่เริ่มต้นจับหม้อน้ํามันนั้นจนกระทั่งถึงฝั่งถึงที่สุดก็มันนั้นการปฏิบัติของเราวันนี้ก็ตั้งแต่นาทีนี้แหละจนเลิกเราก็จะต้องใช้แรงใจของเราประคองอยู่ที่อารมณ์ของการภาวนาอารมณ์ของการปฏิบัติของเราตั้งแต่ต้นนี้มันเนื่องเนืองเน่อ ง, งไปเรื่อยเรืยเรยหมือนไอชายหนุ่มที่มันถือหมอ้อที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยน้ำมัน ที่พูดเท้านี้เพื่อทําความเข้าใจให้เห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการปฏิบัติเริ่มแรกคือการรู้ลมหายใจมันแรงใจในการที่จะส่งจิตเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจของเรามันต้องแรงและแรงนี้ก็จะไม่ลุกลีลกลลกล้ลุกลนถ้าลุกลี้ลุกลนเดี๋ยวนะ้ำมันมันจะหกจากหม้อดินใช่ไออ ให้มีแรงใจส่งเข้าไปจดจ่อรู้การเคลื่อนของลมที่ไหลออกและไหลเข้าอย่างมีกำลังในการที่จะจ้องดูรู้เขาตัดอดีตตัดอนาคตไปก่อนออปิดประตูขังไอ้วานนอนตัวนี้ไว้ เอาไว้อยู่นี่คือเรื่องของแรงใจชาวนี้เข้าใจไหมนะและก็ต้องระวังเวลาเรามีแรงใจเยอะๆตั้งใจเยอะๆมันจะหลับ ทำไมรู้ไหมทำไมมันจะหลับอะพอตั้งใจมากๆแล้วมันจะมันจะเคลิมอืมมันจะเคลิมท้ามันจะหลับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิบนาลิกาใช่ปะ่ะเอออืม เรียมตัวให้พร้อมการเจริญอานาปัตติก็ยังคงแบบเดิมไม่วิ่งตามลมหายใจ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ให้จับดูลมหายใจที่ไหลออกก่อนแล้วก็ให้จ้องดูอยู่ที่ฐานที่ตั้ง ของจิตรู้อยู่ตรงบริเวณโพรงจมูกของแต่ละคนเราก็ทดสอบด้วยการหายใจเข้าให้สุดแล้วก็หายใจออกเบาๆคอยสังเกตว่าเรารู้จักรู้สึกกับลมหายใจที่กระทบลมหายใจทุงไหนที่มันชัดเราก็เอาตรงนั้นเป็นที่ตั้งของจิตรู้ของเราเมื่อได้ที่ตั้งจิตรู้ของเราอย่างนั้นแล้ยวเราก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นด้วยแรงใจ ที่บอกกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยอย่างทุ่มเทเอาลมหายใจออกก่อนโดยการแรกเริ่มเนี่ยให้ประคองลมหายใจไหลออกยาวๆจนสุ ด, ดเดี๋ยวลมหายใจเข้ามันจะดึงเข้าไปเองอืมเอาลมหายใจออกก่อนด้วยแรงใจที่มีอย่างเต็มที่นะวันนี้ ถ้ามันเกิดความเมื่อยเกิดความปวดเกิดความเจ็บที่ร่างกายอย่าไปขยับอย่าไปเกาถ้าทนได้ให้ทนไว้แต่ถ้าทนไม่ได้แล้วให้ขยับด้วยสติคือขยับก็รู้ไม่ใช่ขยับไปด้วยอำนาจของความหลงด้วยอำนาจของโบหะขยับก็รู้ถ้าตราบใดยังไม่รู้แม้ว่ามันจะปวดก็จะไม่ขยับ จะขยับต้องรู้ทุกขณะที่มันเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนจนกว่าการขยับนั้นจะเสร็จสิน้นไอ้ขยับที่แบบรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพื่อหายปวดน่ะด้วยอำนาจของบูหะนี่เราไม่เอาแรงใจที่มีวันนี้มันพิเศษมันเข้มข้นมันจรงิงจังแน่วแน่มุ่งมัน่นตอนจิตที่มีอยู่ในขณะ น, นี้แรงใจทั้งหมดหลังจากนั่งตัวตรง แรงใจนี้จะส่งไปที่ลมหายใจข้าอยู่ที่ฐานที่ตั้งอ๋พร้อมแล้วนะ เอาเริ่มเลยจะใครจะให้เสียงเกิดขึ้นจากตนเองต้องใช้สติให้เกิดเสียงให้กระทบต่อผู้อื่นให้น้อยที่สุดนั่นนะการทำเสียงให้ดังน้อยที่สุดนั่นเป็นความเบสตาอ่า เวลามันเกิดเวทนาเ <c oughs> วลาเกิดเวทนาความปวดความเมื่อยความเหน็บประจิตรู้เนี่ยตะแรงใจไปอยู่ที่เวทนานั้นมากกว่ากำลังของเวทนาก็จะครอบงำจิต พอมันมีเวทนาจิตก็ไปรู้เวทนาพยายามให้เพียงแค่รู้ให้เป็นเวทนาคือความความรู้สึกที่เกิดขึ้นณที่ใดก็ให้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นณที่นั้นให้จิตเข้าไปเพียงแค่รู้แล้วก็วางไว้ในที่ที่เขาเกิดได้ดึงจิตกลับมาเพื่อที่จะมารู้ลมหายใจเอาแรงใจที่มีเนี่ยใส่ไปที่ รู้ลมหายใจอย่าไปใส่ใจที่เวทน า, ถ, าถ้าแทแรงแรงใส่แรงใจที่มีอยู่ที่ลมหายใจมากแรงใจที่มีอยู่ที่เวทนาน้อยคือใส่ใจเพียงแค่รู้เนี่ยมันก็จะไม่กระทบต่อใจของเรา แต่ถ้าเราไปใส่ใจต่อเวทนาที่เกิดขึ้นมากกระทบต่อใจแรงใจที่จะมีต่อการรู้ลมหายใจต่อการเดินภาวนาของเราก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงวันถ้ามันมีเวทนาเกิดขึ้นนะที่ใดเพียงแค่รู้แล้วก็ปล่อยเขาไว้แต่ถ้ามันมีกำลังแรงขึ้นแรงขึ้นถึงขนาดที่ต้องปรับเปลี่ยน ให้พยายามจะเอาจิตรู้เนี่ยไปรู้การเคลื่อนไหวนั้นรู้การเคลื่อนไหวนั้นช้าๆให้ทุกขณะทุกขณะของการเคลื่อนไหวในการปรับเปลี่ยนนิยมบุตรจะเปลี่ยนปุ๊บปับ๊บแล้วก็ต้องรู้ว่าจิตที่จะปล่อยวางเวทนา ที่จะแค่รู้เวทนาจิตที่จะจิตที่จะแค่รู้เวทนาที่เกิดขึ้นกับเราคือความเจ็บความปวดความเมื่อยนั้นเป็นมานเล็กๆ เ, เป็นอุปสรรคเล็กน้อย ที่เราจะต้องก้าวข้ามไปถ้าตรงนี้เราทำไม่ได้เราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคข้างหน้าอีกเยอะและใหญ่กว่านี้มากนักได้เลยทันมาเกิดเทนาให้จิตแค่รู้แล้วก็วางไว้ และเอาแรงใจทั้งหมดใส่ไปที่ลมหายใจของตนจากนั้นถ้ามันทนไม่ไหวถึงขณะที่จะจะปรับเปลี่ยนอิริยบทให้จิตรู้เกาะอยู่กับการเคลื่อนไหวนั้นมีความรู้สึกตัวทุกขณะที่เคลื่อนไหวชาๆจนกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถนั้นจะสิ้นสุดลง เมื่อเรารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆและลมหายใจเราก็จะค่อยๆซักคุกลง เป็นการรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าตามปกติ <c oughs> ถ้าเกิดความรู้สึกง่วงความเคลิมได้รู้ตัวว่าห ง, ง่วงมากไอ้ยืดตัวให้ตรงยืดตัวให้ตรงยืดตัวให้ตรงเอาความรู้สึกตัวอย่างแรงกลับมาแล้วก็รู้ลมหายใจอย่างเดิมเพราะยืดตัวตรงความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความง่วงก็จะงายไป จะปล่อยให้ใจมันตกอยู่ใต้อานาจความง่วงนะแต่ความง่วงเกิดขึ้นครอบงำที่จิตจิตเรามันจะรู้สึกว่าสบายถ้ามันจะสลับให้รู้ว่านั่นคือมหันต์บับไพรที่เกิดขึ้นกับใจต้องยืดตัวให้ตรงดํารงสติไอ้มัน่นแล้วก็รู้ลมหายใจต่อไปเมื่อความง่วงหายไปทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆ อย่าปล่อยให้มันตกอยู่ใต้อำนาจของความง่วงเดดขาด แรงใจที่จะรู้ลมหายใจมันเบาได้หายได้แต่สติเราจะต้องรู้เมื่อใดที่การรู้ลมหายใจมันหายไปเมื่อนั้นคือการภาวนาของเราสิ้นสุดนักขณะนั้นเราก็ต้องยกจิตเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจใหม่ยกจิตขึ้นไปรู้ลมหายใจ อยู่เรื่อยๆในขณะที่หลุดออกมาจากลมหายใจการยกจิตขึ้นไปรู้ลมหายใจนั่นคือความมีแก่ใจความมีแก่ใจนี่มันเป็นความเพียรเป็นการเริ่มต้นตั้งความเพียรเป็นอุ ป, ปอนิสัยดีๆที่จะเกิดขึ้นในสันดานของนักปฏิบัติเพื่อให้ทาบ่อยๆให้ทำบ่อยๆ ขณะนี้เรารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าสิ่งอันไดก็ตามที่เกิดขึ้นเรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายในช่วงนี้อยู่ในระยะที่เราไม่ใส่ใจเราจะเน้นดูรู้เฉพาะลมหายใจที่ไหลออกดูรู้เฉพาะลมหายใจที่ไหลเข้า ใหรู้ลมหายใจเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นลมอ่อนรู้ลมแรงรู้ลมเบารู้ลมหยาบรู้ลมสั้สนรู้ลมยาวรู้รู้ตามที่ตามที่ลมเขาเป็น เ อ, เอาจิตไปรู้สึกที่มือข้างขวาค่อยๆยกมือขวาไปวางไว้ที่เข่าข้างขวาแล้วจิตไปรู้ที่มือข้างซ้ายก็ค่อยเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายเอาจิตมารู้เฉพาะหน้าของตน แล้วกประหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิเวลาลืมตาแล้วเนี่ยจะปรับเปลี่ยนท่านั่งก็ให้ปรับเปลี่ยนกันส ต, ตินะรู้ขยับรู้ขยับรู้ขยับอืมใช่เวลาขยับเนี่ย ให้รู้ตัวแล้วก็ขยับขยับขยับรู้ตัวแล้วก็ขยับขยับขยับเช้านี้ก็ดีหลายคนพยายามเอาแรงใจจับไอ้เจ้าลิงตัวนี้วานนน้อยตัวนี้ใส่ก็ไปในกะทบเนอืม